สมัยวัยรุ่นผมอยู่ที่บ้านดงหลวงจังหวัดมุกดาหารชาวบ้านร้านช่องสมัยนั้นยังนับถือผีสางเทวดากันไม่ว่าจะเป็นผีฟ้าผีแทนผีปู่ผีตาว่าเป็นที่พึ่งทางใจความเปล่าเปลี่ยวของพื้นที่ซึ่งเป็นทุ่งนาป่าดงแทบทั้งนั้นย่อมจะหนีเรื่องผีผีสางๆไปไม่พ้นยิ่มีใครล้มตาย ก็ยิ่งเลือกันว่าผีดุถ้าตายโหงด้วยแล้วรับรองว่าเลือกันไปเป็นเดือนๆจะจริงหรือเท็จยังไงก็ไม่รู้แน่นอนจนกระทั่งผมได้เจอได้เจอกับโคตรผีดุเข้ากับตัวเองพี่เดือนเป็นสาวสวยวัยต้น20สิปีผู้ใหญ่ดอนผู้พ่อแกหวงนักหวงหนาจนพวกหนุ่มๆในย่านนั้นไม่มีใครคล้องแวะด้วย แต่เป็นที่รู้จักกันดีว่าพี่เดือนมีคนรักชื่อทิดม่วงลูกนาของผู้ใหญ่บ้านนั่นเองมีคนแอบเห็นเธอดอดไปพบทิดม่วงที่กระท่อมปลายนาบ่อยครั้งนางเดือนมันดื้อรั้นห่อใครละ่ตะตาจันขอเล่าประจำำําตําบลเคยพูดกับเพื่อนของแกในร้านเจ็กคุยก่อนจะขยายความต่อเองดูจมูกมันสิวะนอกจากจะโด่งผิดอีสาวคนอื่น ตรงปลายมันยังเชิดรันบอกว่าดื้อบันไลเฉียวไม่มีใครคัดค้านนอกจากข่วงใยว่าถ้าพ่อเธอรู้เข้าจะเกิดเรื่องรุนแรงป่านใดจูจๆผู้ใหญ่ดอนก็รับมั่นสัญญาว่าจะยกลูกสาวให้ลูกชายเจ้าของโรงสีจากในจังหวัดดื้อเลืกันว่าพี่เดือนปิดประตูห้องร้องไห้เพราะอืดนพระอมไม่ยอมกินข้าวปลาอยู่หลายวัน จนกระทั่งกำหนดแต่งงานใกล้เข้ามามีคนแอบเห็นเธอหลบไปหาคนรักในตอนค่ำคืนรุ่งขึ้นก็เอะอะกันทั้งบ้านว่าพี่เดือนหายไปไหนผู้ใหญ่ดอนยกขยงออกติดตามก็ไปพบลูกสาวกลายเป็นศพศพแขวนคอตายที่ต้นมะม่วงป่าริมทางเปลี่ยวหลังหมู่บ้านนั่นเอง เมื่อเรื่องกับกลายลงเอยด้วยความเศร้าสลดศพพี่เดือนถูกฝังที่ป่าช้าเรียบร้อยทิดม่วงก็หายหน้าไปข่าวลือเรื่องผีสาวอารวาดก็ด่งดังขึ้นทันทีลุงปั่นชักเกวียนผ่านมาตอนโพลเพลงจู่ๆก็ได้ยินเสียงสะอึกสะอื้นคร่ำครวญเขามาในหู มันดังมาจากต้นมะม่วงที่ลูกสาวผู้ใหญ่บ้านอาาัสเป็นเดือนตายทำให้ลุงปันแงนหน้าขึ้นมองก็เย็นวาไปทั้งตัวศบสาวเดือนห้อยตรงเตงอยู่นั่นเล่นเอาลุงปันร้องตะโกนลั่นด้วยความตกใจสุดขีดขับเวียนหอตะบึงไม่รู้หนเหนือหนใต้เมื่อถึงบ้านได้ก็สลบคาที่ผีพี่เดือน หลอกหลอนผู้คนรายแล้วหลายเล่าแต่ผมยังไม่เคยเจอกับตัวเองสักทีเย็นวันหนึ่งผมกำลังนั่งเล่นอยู่ที่หมาหน้าบ้านกับเพื่อนเชยภูลป้ากาไสยอยู่บ้านใกล้ๆกันก็มาขอแรงให้ไปเป็นเพื่อนด้วยเถอะเพราะแกจะไปเก็บหยอดกระโดนเอามาจิ้มแจวจะไปคนเดียวก็กลัวผีผมกับไอพูลก็ตกลง กลางวันแสกๆจะไปกลัวอะไรแม้ผักย่างงามจริงๆครับร่างอ้วนถ้วมของพระคำใสก็เด็ดยอดกระโดนอ่อนๆใส่ตะกล้าเราสองคนก็ช่วยกันเก็บเลิดเพลินจนกระทั่งมีเสียงแมวร้องดังขึ้นมาแมวจากไหนละ่ะจะว่าหูแววก็ได้ยินกันทุกคน ผมเหลียวซ้ายแลขวาก็อาปากค้างเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าแถวนั้นคือที่ตายของพี่เดือนขณะที่แสงแดดจางหายอากาศเยนเ็นะเยือกเย็นลงอย่างรวดเร็วเสียงเงยือกเย็นหน้าขนลุกดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนจนเราเงยหน้าขึ้นไปมองเป็นจุดเดียวกัน เห็นมะม่วงต้นนั้นยืนตระง g ่านรวมคืมแมวดำปลอดมอบอยู่บนกิ่งใหญ่จ้องมองเราด้วยในตาเหลืองจ้าแยกเขี้ยวขาววับหน้าสยองแมวเจ้ากรรมร้องแต่ฟังคล้ายเสียงคนร้องไห้ก่อนจะกระโดดแผ่วหายไปในกิ่งใบดกหนาข้างบนผมเกือบจะถอนหายใจอย่างโล่งอกอยู่แล้วเชียว ก็พอดีมีเสียงสู้ซาขึ้นมาฟ้าเป็นพยานนี่มันเกิดจากนรกจกกระเป็ดอะไรขึ้นมามะาม่วงกิ่งใหญ่ที่แมวดำเกาะอยู่เมื่อกี้หยกๆยกกลับกลายเป็นร่างพี่เดือนที่ทิ้งตัวลงมาจากข้างบนมาห้อยตรงเตงลิ้นจุกปากในใตาถลนออกมานอกเบ้าป้าคำใสทิ้งตะกร้า ร้องไห้โฮไปไหนไม่ไหวนั่งแผลออยู่ตรงนั้นเองส่วนไอ้ภูลวิ่งแหกปากร้องโวยโวยไปด้วยโดยมีผมวิ่งตามหลังมันไปติดๆไม่คิดชีวิตเลยในที่สุดผู้ใหญ่ดอนก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ลูกสาวอีกครั้งปีสาต์สาวสุดเียนก็หายสาบสูญไปจนถึงทุกวันนี้เรื่องราวผีพี่เดือน ค่อยๆเงียบลงและไม่มีใครพบอีกเลยส่วนตัวผมเองหลังจากวันนั้นก็ไม่ได้ยํำกลายเข้าไปตีต้นมะม่วงนั้นอีกเลยผ่านมาเกือบ30ปีแล้วตอนนี้ต้นมะม่วงต้นนั้นก็ได้ถูกโค่นลงไปแล้วแล้วก็ไม่มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นมาอีกเลยและนี่ก็คือประสบการณ์ที่ผมไม่เจอมาเมื่อสมัยเกือบ30ปีที่แล้วครับ